ผ่องใสเพราะธรรมพระพุทธภาษิตเยธาปิราหะโทคัมพีโรวิปัสสันโนโอนาวิโรเอวังธรรมานิสุตตวานะวิปสัสซีดันติปันฑิตาแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสเหมือนห่วงน้ำลึกใสไม่ขุนมัวฉะนั้น อธิบายความในที่อื่นพระศาสดาทรงแสดงอนิสงส์แห่งการฟังทำไว้ห้าอย่างคือหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดเคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้นสบรรเทาความสงสัยเสียได้สทําความเห็นให้ถูกต้องได้หจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส ในมงคลสูตรพระศาสดาทรงแสดงการฟังธรรมว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งทำให้ละความชั่วประพฤติความดีไปจนถึงทำอาสวะให้สิ้นได้เพราะการฟังธรรมโดยทั่วไปจิตใจของปุถุชนคนธรรมดามาปลื้กลัวอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักโลภโกรธหลงส ม, มุนของอันวางอยู่กลางแจ้งง่ายต่อการจากกับกอะของฝุ่นทุรียอันปลิวมาจากทิศ ต, ต่างๆ การฟังธรรมเสมือนการนำน้ำมาสดสง์ให้สะอาดแม้เป็นครั้งคราวก็ยังดีเหมือนเสื้อผ้าที่ใช้สกปรกแล้วซักเสร็จครั้งหนึ่งเมื่อสกปรกอีกก็ซักอีกดวงจิตที่ห่างเหินจากธรรมเป็นดวงจิตที่เปริอเปื้อนหมักหมมเหมือนเครื่องใช้เสื้อผ้าที่ใช้อยู่เสมอแต่ไม่ได้ล้างหรือซักคนผู้มีจิตสกปรกหมักหมมเช่นนั้นย่อมสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะโลภ บ, บา้า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 นี่คือข้อตัดสินของพระศาสดาในเรื่องใครจะเสื่อมหรือจะเจริญบางคนเสื่อมเพราะเหินห่างจากธรรมาก่อนต่อมาภายหลังรู้สึกตนกลับเข้ามาหาธรรมความเจริญก็ค่อยๆเกิดตามขึ้นมาวามข้อนี้มีตัวอย่างอยู่มากมายขอให้ท่านนึกถึงประวัติบุคคลสำคัญบางคนในชีวิตของคนที่ท่านรู้จักเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็จะมองเห็นเรื่องประกอบ เครื่องมารดาของนางกานามารดาของนางกานาทอดขนมเพื่อให้ลูกสาวคือนางกานาถือติดมือไปสู่สกุลผัวแต่ปรากฏว่าเมื่อพิสุมาบิณฑบาตนางได้ถวายพิสุเสียูปเสียถึงสี่ครั้งเมื่อนางกาณารอขนมจากแม่อยู่สามีของนางเห็นนางไม่กลับจึงมีพัญญาใหม่นางกานาทราบดังนั้นจึงด่าว่า บริภาษทิศุนาณาประการเช่นการครองเรือนของเราถูกพิษุพวกนี้ทําให้ขิดหาเสียแล้วเป็นต้นพิษุทั้งหลายไม่สามารถเดินไปยังถนนนั้นได้เพราะนางกานาเห็นทีไรเป็นต้องด่าทุกทีไปพระศาสดาทรงทราบข่าวนั้นจึงเสด็จไปที่บ้านของนางกานามารดาของนางได้จอนรับอย่างดีถวายข้าวยาคูและของขอนเคี้ยวเมื่อสวยเสร็จแล้วรัดถามถึงนางกานา มารดาของนางทูลว่ากานาเห็นพระองค์แล้วเก้อเขินไม่อาจเฝ้าได้ยืนร้องไห้อยู่พระศาสดารับสั่งให้นางกาณาเฝ้าหลับถามว่าร้องไห้ทําไมแต่นางกานาไม่อาจตอบได้เพราะเก้อเขินมารดาของนางต้องตอบแทนพระศาสดาจึงสัตว่าก็การที่สาวกของเรามารับขนมไปนั้นเธอรับเฉพาะส่วนที่อุบาสิกาให้แล้วไม่ใช่หรือ อย่างนั้นพระเจ้าค่ะมารดาของนางก า, านาโทลเมื่อเป็นเช่นนี้สาวกของเราจาักมีโทษอะไรเล่าโทษของภิกษุทั้งหลายไม่มีพระเจ้าข่ามีแต่โทษของนางกานาเท่านั้นพระศาสดาตรัสให้นางกานายอมรับความจริงเรื่องนี้แล้วนางได้ถวายบังคมพระพุทธองค์และขอให้พระองค์ทรงอดโทษอภัยในคำล่วงเกินของนางที่มีต่อภิกษสุสงฆ์พระศาสดา ทรงแสดงอนุปุพิกถานางได้บรรุโสดาปติพลพระศาสดาทรงทราบว่านางการนาได้บรรุโสดาปติพลแล้วเสด็จลุกจากอาสนะไปสู่วัดเชตวันเสด็จผ่านพระรานหลวงพระเจ้าปะเนสนที่โกรธสนดพระเนรเห็นจึงให้ราชบุตรรีบวิ่งไปทูลว่าพระองค์จะเสด็จไปเฝ้าขอให้ทรงรออยู่ที่พระรานหลวงก่อน พระราชาเสด็จไปเฝ้าทีพระรานหลวงท่งราบเริงทังโวงที่พระศ า, าสดาเสด็จไปสู่เรือนของนางกานาและทํานางกานาให้เป็นเจ้าของโลกุตระซั์แล้วพระราชาทูลพระศาสดาว่าพระองค์ทรงทํานางกานาให้เป็นเจ้าของโลกรุตระซั์ส่วนหม่อมฉันจยากทํานางให้เป็นเจ้าของโลกียาซั์ดังนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกับ ทรงส่งยานใหญ่ที่ปกปิดในอินเดียยานพาหนะ ก, กีติยศจะต้องมีผ้าคลุมเบื้องบนและทั้งสี่ด้านไม่ให้เห็นคนนั่งอยู่ภายในไปรับนางกานามาเฝ้าให้ประดับเลื่อยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างตั้งไว้ในตำแหน่งพระราชธิดาองค์ใหญ่แล้วตรัสว่าผู้ใดสามารถเลี้ยงธิดาของเราได้ผู้นั้นจงรับเอานางกานาไปมหาอมาผู้ใหญ่ผู้สําเร็จราชการทุกอย่าง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 คงจะเป็นเพราะที่เคยด่าว่าภิกษุม า, จากจนไม่มีใครกล้าหรือไม่ปรารถนามาเกี่ยวข้องรับทายาธรรมวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันที่ธรรมสภาว่าภิกษุสี่รูปทั้งความเดือดร้อนให้แก่นางกานานางกานาด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมากแต่ได้อาศัยพระศาสดานางจึงเป็นผู้มีศรัทธามีประตูเรือนอันเปิดแล้วเพื่อภิกษุทั้งหลายแต่น่าสงสาร ที่ไม่มีใครไปรับทายธรรมของนางเลยโอ้คุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอาศัศจรรย์จริงพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามเรื่องที่ภิกษุสนธนากันส่งทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งสี่รูปนั้นทาความเดือดร้อนแก่นางกานาไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแม้ในอดีตชาติก็ทาความเดือดร้อนให้แล้วเหมือนกันอันหนึ่งเราได้เป็นที่พึ่งของนางแล้ว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 คือเราจะถาคตพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตนางกาณาได้เป็นผู้มีใจหม่นหมองมีจิตคุณมัวแต่ได้อาศัยเราจรึงเป็นผู้มีจิตผ่องใสเหมือนห่วงน้ำอันใสดังนี้แล้วตรัสพระภาษิทว่าเนธาปิรหทโทคัมพีโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น